บุกขใจนั้นสํำคั ตามต่งไรหมายลงเกิดกายโปรดแม่ตาเป็นหนึ่งตางหาลั่นคมทุดทำเรีงรัดงานหกหมืพีพ้นเพื่อไทยเปลี่ยนยุคช่วยเก็บงานโปรดคนงดงามอยู่ที่จิตใจแจ้งเกิดมาสุดท้ายทิ้งกายสิ้นลงเหลือสิ่งใดเปิดประตูไข้เรื่องคนนั่งเดิมกลับหน้าตาเกิดดับใครพ้นขอบยิ่กุศลเป็นดุทา อย่างในรูท่นตันลเชพุทธาประมาทงพรัง A c l o u เกิดยางไหนรู้ทางตันรถเชคพุทธาประมาทขงพลังรุดเร้ลองตั้งใจอีกคราศรัทธายามมาเปิดใจแยกแยะความแท้จริงฝึกหัดใจนั้นสําคัญต่างย่างกิเลสไว้จะเกิดอย่างไหนรู้ทางตันรเชคพุทธาประมาท